เพราะความจริงมันผิดความจริงไปหน่อยได้คนจริงผู้พิจารณาจริงประพฤปฏิบัติจริงคนนั้นจะประสบพบเห็นละทอนจริงผิดผิดข้องต่างๆให้หายขาดไจากจิตจากใจของตนความโลภอยากได้ของเขาจนเกินขอบเขตมันผิดออกผิดใจของคนอื่น ความโลภที่เราได้มาแข่งเงนรักษาว่าเป็นเส้บัตรของเรามันเป็นของในกี่ร้างยั่งยืนเราไม่จากมันมันก็จะจากเราความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีใครที่จะหอบแามเอาไปได้เส้บัตรของโลกจนเส้นบัตรของโลกอยู่อย่างนั้นตลอดมาหากว่า คนที่ถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งของต่างๆตามกฎหมายเมื่อเขาตายไปหอบที้สิ่งเหล่านั้นไปเรืเราจะมีที่อยู่ที่อาศัยเพราะคนที่ตายไปก่อนเราเกิดนับจํานวนในดักรี่เขามาสำคัญนั่นหมายว่าเป็นของของเขาดินของเขานาของเขาสวนของเขา ให้หอบหิวหอบหาามไปหมดแล้วเราก็นใดหนึ่งมีติอยู่ที่อาศัยนี่เล่เป็นอย่างนั้นคนจะโลกขนาดไหนก็เอาเตาได้คนหนึ่งโลกจะมีสทิที่จะอยู่ได้ในโลกอันนี้เนื่ยยังมีร่างกายอยู่ดังนั้นตามสอนใจท่องเต็มพิจารณาเหตุผลเพื่อเข้าถึงจุดจริงของมันจนนริงจนเลี่ยงห้ามกัน้นการทําชั่วทําเสียต่างๆ ตลอดถึงบทต่อยจิตใจทังตัวที่หล้องจิตคิดจริงได้หายจากความเหลงพูดง่ายๆนี่หมายถึงอย่างธรรมของพระพุทธเจ้าสอนคนให้รู้จักจริงที่เป็นจริงเงี่ยสอนคนให้ลืเหลงเพลิดเพลินมัวเมาอย่างเสืโลกสอนกันพระพุทธเจ้าสอนอะไร สอนคอยไปสืบเกิดความจริงของมันเพื่อปฏิบ <c oughs> ัติปฏิบัติที่จะมาตามจริงแล้วก็เกิดเป็นจับจะทำเป็นของจริงขึ้นในจิตในใจจึงเชื่อหมั่นเขารับเลื่องใสพระพุทธไเจ้าเพราะทำรู้มาก่อนทำเห็นมาก่อนท่ำสอนของจริงนี่เลยบอกแบบจจมๆเหมือนจิตของหลายไม่คิด ดังนั้นทำของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องสําคัญวันนี้เป็นวันสําคัญที่พระพุทธเจา้าประกาศศาสนาให้มนุษย์ละเชื่อบำเพ็ญดีและทําจิตของตนให้ผ่องใสและเชื่อบำเพ็ญดีทำจิตให้ท่องใสเชื่อไปอยู่ในกายวาใจใจจิตัวมีอยู่ภายในตัวของพวกเราทุกท่าน จะให้ใครมาเชื่อเหลือเชี่อหนีปฏิบัติให้เป็นไปไม่ได้เพราะธรรมะจนสัมที่ติโกจะต้องเห็นเองปัดบัตตังจะต้องรู้เฉพาะรายเดืยนนี้เป็นอย่างไรจิตใจของเรามันเลืบบอดขนาดไหนมันจิดข้องอะไรมันหมดไปเลยยังเรื่องกิเลสปัญหา ที่นี้ที่เมาสมาธิในกาลังใจเพ้งเต็มคือเมื่อเมาเฝ้าฝันนึกคิดติดตามสัญญาเรื่ต่างๆว่าสิ่งที่เรานึกเราคิดเราปินเราคล่องไม่มีวันเวลาที่จะหอบหิวหาบหามได้อย่าไปเมื่อเมาเฝ้าฝันเกินเกินขอบเกินเขตบำเพ็ญเรื่องกายเราบำเพ็ญมาเด็ดขาด รักษาพยาบาลโดอาหารต่างๆแต่จิตใจของเราได้นําอะไรมาบวมเบงหรือไม่จิตใจทําไมจึงเกรดจึงโกรบจึงหลงเลื่ออยู่อย่างนี้เพราะอะไรมันจึงเป็นแบบนั้นให้พิจาราภายในสอนใจท่องตนดูใจท่องตนคนที่ดูใจท่องตนสอบใจท่องตนที่นี้พิจาราใจท่องตนคนนั้นแหละ ใจที่ถูกสัาลักซักฟ อ, อจรร่จะอาจทีพิจัยนาอยู่เรื่อยใจจะผ่องใสใจจะสว่างสวัยใจจะละจะถอนีิเลทำสอนสอนามาจุดนี้เพื่อที่หมดีิเลปัญหาหมดความผิดข้องทั้งข้างนอกข้างในท่านเป็นอย่างไรท่านสะดวกสบายท่านสงบรังับ อยู่สถานที่ใดก็มีความสุขไปสถานที่ใดก็นำสุขสไป ด, ด้วยไม่เหมือนสมบัดิภายนอกจึ่งเราสแสวงหาถ้ามีมากเจ็จะต้องหาภาหานะมาใสภาฮมากจิงจจริงจังก็ข น, นไปหนื่วยในหมดไม่สิ้นนี่เป็นเรื่องวัตถุภายนอกแต่ วัตถกภายในหรือเร่งภายในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นคือใดมีแน่าก็ไม่ต้องไปหายานทาหะนะอะไรมาใส่มีหน้าเท่าไรก็ขนไปได้อยู่กับกายกับใจท้องตัวมีความสุขความสบายสงบระงับเพราะชี้เหตัตหาไม่มาลบกวนจิตใจท้องตนรูป ทีมีอยู่เสียงทีมีอยู่วัตถุทีมีอยู่ถั่วไปท่านพิจารณาใจของท่านให้เห็นตามตปงนจริงของมันว่าจริงไหล น, นั้นเขาไม่เคยลื่นเดือด ว, ว่าเขาเป็นของของใครเราไปยึดถือจิตข้องจาเป็นเรื่องจงิตไปยึดไปถือไปจิตไปข้อ ง, องแต่ของเหล่านั้นเขาไม่เหี่ยงไม่เหียง ในจิตในใจของคนคนจะไปยึดเขาเขาก็ไม่ยินดีคนจะไปตำหนิเขาเขาก็ไม่ยินร้ายเขาเป็นอยู่อย่างไรเขาก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาเรื่องจิตของเราเหลงจิตของเรายึดมันจึงเกิดทุกข์ขึ้นท่านเหตุที่เจรณาละถอนให้เห็นความยินของมันไม่เห็นของ ความจริงของมันอย่างไรใจมันจะถอดจะถอนออกจากความผิดข้องต่างๆทางของพระพุทธเจ้าสอนให้สาลายใจที่ดือสำลายใ จ, ดยยใจได้บริสุทธิ์ผู้นั้นไปเสดนิ่เสดไม่ต้องพูดถึงความบริสุทธิ์หมดเกลื่อนที่เวททั่วไปเพียงแต่จิตสงบเยี่ยมยงเป็นสมาธิ จะเป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปนาขวัตตามก็ยังเห็นความสุขความสบายที่แตก แ, แต่ต่างจากคนที่ห น, น, น, นื่อยสึกฝนอบรมจิตใจท่องตนมีแต่โลภแต่โกรธแต่หลงไม่เคยแงบหลังนับนอนหลับแต่ยังฝันพอใจไม่เคยรักษาไม่เคยพิจารณาอาจทม ยิ่ม่นตามสัญญาอารมณ์ตลอดระยะเยวลาล้วมาบนทุกยากลำบากลำพานอย่างนั้นอย่างนี้ม่เคยตอนอนรักษาตั้งวรจิตใจทองตนให้มีธรรมะี่จะปล่อลยไปไหลตามอย่างสัญญาอารมณ์ผู้ดออได้รับทุกข์คนนี้คนอืน่นตัวเตี้ของตัวเองเป็นผู้ได้รับทุกข์ข้าพุทธเจ้า เพ่งสงสารเมตตาสัว์โลกอย่างนั้นท่าน mm hmm. จึงวางธรรมะเอาไว้แม่สอนพวกเราท่านให้ประเทศปฏิบัติกายใจละชั่วบำเพ็ญดีทำจิตของตนให้ผ่องใสอย่าให้คุณมัวธรรมดาจิตผ่องใสกแเหนื้นน้ำที่ใสสะอาดอะไรตปลงไปเราก็มองเห็นได้ถ้าน้าคุณในคันอย่างนั้น เขาเอาอ ไ, ไปมักไปดองอยู่เลยนั้นก็ไม่เห็นเพราะมันคุณมันเนื้อจิตเนื้อจิตคุณก็ทํ า, านองเดียวกันไม่ทราบบ่มันโลภทําไมมันโกรธทําไมมันหลงทําไมพราะมันคุณมันมองไม่เห็นมันก็เลยละไม่ได้ถอนไม่ได้ไม่รู้จักความจริงของมันสมุดฐานของมัน ตามที่นี้พิจารณาภายในเหตุธรรมะพิจารณาใจยังเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านควรรำเพื่ อ, อจะได้ยินได้ฟังหรืออ่านตำรับตำรายังไม่เป็นปัญหาอะไรจะมีความรู้มากมายขนาดไหนจบมาจากขั้นใดก็าตามหากไม่ได้ไปพึ่งปฏิบัติ ให้เห็นให้เภายในก็ ม, มีเรื่องอัศจรรย์อะไรความรู้หนนนั้นไม่สามารถที่จะทาําความสุขความสบายความเย็นเย็นในตายใ น, ในใจทังตนมได้เห็นแต่ยังหลงในรูปโด้ยินแต่ยังหลงในเสียงท่าทางทเย็นเยนมาขนาดไหนสติปัญญาที่จะแก้ไข ใ, ใจท่งองตัวนไม่มี นี่คือสัญญาจำมาเหมือนกันกับเราเห็นอาหารเราไม่เห็รับประทานก็ไม่ทราบว่ารสชาตมันเป็นอย่างไรร่างกายของเราจะมีกําลังอยู่แรงไหมเป็นนั่งพออาหารนอนพออาหารแต่เราไม่รับทานตรงมีการอิ่มหนำตำลานได้ความรู้ที่เราได้มาจากตำหลับตำลาจากคุรยาอาจารย์แต่เรายังมาเด็ดตุ้ดพื้ปฏิบัติให้เป็นสมบัติของเรากวรทามองนั้น ดังนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสําคัญจะเกิดปฏิเวรได้ถ้ า, าไม่ปฏิบัติไม่มีทางที่จะสําร้ายใจทองตนให้ใสสะอาดให้หมดสดจากที่เหลือตังหา mm hmm. การปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสําคัญไม่ต้องไปปฏิบัติที่อื่นปฏิบัติที่ใจของเราเนี่ยเพราะใจของเราเป็นตัวเหตุ มีสติควบคุมรักษาที่นี่พิจใจณาอยู่ภายในจะสนใจออกภายนอกจะพิจารณาอะไรก็กำหนดอันนั้นให้จิตสงบเป็นเรื่องต้นถ้าจิตยังไม่สงบยังไม่เห็นผลจกพิจารณาไปมากขนาดไหนก็ไม่มีกำลังที่จะตัดกิเลสปัญหาได้เพราะจิตขาดกำลัง ความจริงว่าศีนสมาธิปัญญาในใจสัญญาถ่ายเยื่อจะสล้างจิตเลดให้ขาดสัญญามันกลายเป็นปัญญาขึ้นพราะจํามาในใจมันเกิดขึ้นภายในโดยการสะทึกปฏิบัติกายใจแล้วมันเกิดขึ้นทางมันเกิดขึ้นภายในเป็นสมบัติของตัวเองสามารถที่จะจับใจตายสอยไม่อดไม่จนเพราะมันมี เหมือนนำ้ำบอ่อปากออกตรงกูซึมมาไหลมามเหมือนน้ำในโอ่งในไหความรู้ของผู้ปฏิบัติกทําทำนองเดียวกันไหลมาเรื่อยๆไม่อดไม่จนพอเป็นพอไปไเหมือนน้ำในโอ่งการศึกษามาเรียนมาเหมือนน้ำในโอ่งปากออกเท่าไรก็หมดไปทถานั้น ไม่มีอันใหม่มาทดแทนนี่การศึกษาเราเรียนทำนานในโอ่แต่การปฏิบัติที่มีที่เจงาภายในสามารถเกิดขึ้นเรื่อยไหลมาเรือ่อยย่งความรู้ความเห็นต่างๆสามารถแจ้ไยใจผู่ข้องจิตคิดจึงต่างๆให้สงบระงับเลยเห็นเลยว่าจักว่าธรรมของพระเจ้า เป็นอาคาลิโปรตีนถึงจะเลื่อมานานสองพันห้าร้อยกว่าปีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ต่อผู้ปฏิบัติตามอัตธรรมของท่านยังได้รับผลยังได้รับความสุขความส บ, บายเพราะเราเห็นเราเป็นอยู่ภายในของเราคนอื่นเขาจะไม่เลื่อมใสคนอื่นเขาจะไม่เชื่อเถ่าโลกนั่นเป็นเรื่อ ง, งของเขา เขาไม่เห็นไม่เป็นในใจของเขาเขาคือไม่เชื่อถึงจะเรียนมากขนาดไหนมรผลไม่มีทําดีไม่เห็นใครเป็นอรหัตอรหันกันาออรหันในใจวัตถุที่จะเอาออกมาอวดเขาแต่เขารู้เขาเห็นถ้าเขาไม่ไปพุทธปฏิบัติจะอยู่ในใจจีวรของพุะไตร้าก็ราะไม่สามาร ที่จะทราบว่าจิตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรถ้าหากเราแบบพิสูปฏิบัติเราจะทราบว่าจิตใจของพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นความหมดกิเลสเป็นคุดอย่างนั้นประเสริฐอย่างนั้นจะทราบและจะเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ประเสริฐยิเศษเราจะเอากิเลสของเราเป็นศาสตราหรือจะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า หากเราีิเลอของเราเป็นศาสดาเราหมดราคาตันหามีความสุขสบายก้าวหน้าผูกคนทั่วไปเลื่มใสศรัทธาตัวของเราเองก็มีความสุขความสบายลมข่าไม่มีอะไรที่จะประเสริฐพิเศษเท่ากับีิเลปัญหาของตัวถามันเป็นอย่างนั้นมันก็มีมีใครที่จะเบื่เพ้อ ว่าทุกยากลําบากเดือดร้อนเุ่นวายมันไม่เป็นอย่างนั้นกิเลสดีมากเท่าไรก็เหมือนโลคภัย ม, มากไม่สามารถที่จะมีความสุขความสบายโลกภัยมากเท่าไรก็เบียดเบียนตายเท่านั้นกิเลสตัณหามากเท่าไรก็เบียดเบียนใจของตัวเท่านั้นฉะนั้นจึงควรชาระสาสางกิลส ทำคำสอนของพระพุทธจ้ารีประเพฤปฏิบัติให้จิตของตัวสงบสงัดรวมรวมหนูมารวมรวมมันเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดถึงเพราะทำเป็นสันทิปิโกเห็นเองเป็นปัจจตังรืเฉพาะเราไม่รวมแล้วก็รู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรารวมจะเป็นอย่างไรเป็นเหมือนกันกั่เราทานอาหาร มันอิ่มเป็นอย่างไรไม่ต้องถามกันในจิตของพวกเราท่านชาบันรวมมันมีความสุขอย่างไรรสชาตของธรรมะที่บาจิตวอมเราก็ทราบเข้าใจจะไม่เชื่ออย่างไรจะไม่เยื่อสายอย่างไรความวอมคล่องใจมันสุขมันสบายผิดแปลกแตกต่างกับเราได้วัตถุมากมาย จะมีเงินดีเงินดีแสงล้านจะไปคือไปหาให้เนให้เห็นให้รู้ อ, อย่างนี้ไม่มีวันเวลานอกจากเราต้อพูปฏิบัติเท่านั้นเมื่อเห็นเมื่อเต็นแล้วความสุขความสบายความดีความวิเศษใครเล่าจะไม่จิตใจไม่พอใจทุกคนถ้าหากเห็นหากเจ็มภายในจะเชื่อมั่น ไม่ต้องบังคับบัญชาว่าให้ทำความเพียรภาวนานนะอย่าไปเล่นไปเพลินไปคิดไปตีนอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งหน้าทำนะไม่ทำไม่ได้ไม่ต้องบังคับเพราะเหตุใดเพราะมันเห็นมันเป็นอยู่ในใจทสกตนความเพียรมันจึงไหลไปเองเพราอความเห็นผลคือความสุขความสบายจากการจะทําบาเพ็ิน ที่ถ้าไม่เห็นไม่เต็มมันก็บอกยาทุกอย่างที่เราเห็นมาจนพอบอกกันได้ถ้าหากไม่เห็นเช่นคนไม่เคยรับทานเกลือว่ามันเช็มเราก็ไม่มีทางจะอธิบายเขาฟังได้มันเค็นอย่างไรเพราะเขาเนี่ยทราบของเคมมาเลยตั้งแต่วันเขาเกิดจะอธิบายไปอย่างไรก็มันก็ฟังไม่ออก กยมันเคมอย่างไรมันก็เคมเหมือนเกลวเมเหมือนเกลวท่านั้นมอกแต่เกลียวเกลีอวท่านั้นย่ามันเคมเกลียมีความสุภายในธรรมะของพระพุทธเจ้าอธิบายยากเหมือนกันเบจีกเคยรับทานว่ามันหวานเหมือนเกลือเกลมันหวานอย่างไรแล้วก็ตอเดิมานเหมือนเกลือวนั้นหาคนเคยรับทานมาก็เลยต้องอธิบายยาก มีการฝึกอบรมใจด้วจการมาถ้บูชาพวกเราท่านได้ถือโอกาสมาบูชาไหว้พระสวดมนต์บูชาทางอามิตคือดอกไม้ถูกเทียนบูชาทางปฏิบัติคือการกระหมดจิตใจชำระสสารกิเลสภายในเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ท่านได้นำธรรมะมาแนะสอนโลก ให้แสงสว่างแก่โลกให้โลกได้รู้ได้เข้าใจความจริงเป็นอย่างไรเราจรึงโชคดีที่ได้มาบูชาไม่ล่มหายตายไปอย่างเขาหรือไม่ป่วยไข้มีโอกาสมาวัดมาวามาสดับรับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเหตุนั้นจงพากันปิติยิน ด, ด, ดีในการจตธทรมบำเพ็ญของตน ที่เะรนาภายในกำจัดขับไล่กิเลสตัณหาให้ลดน้อยถอยไปให้จิตใจพ่องใสแจมกระจ่างในสะอาดในธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อทุกคนประพฤติธปฏิบัติตรงอย่างนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเป็นผู้บูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่นั้นเราทุกคนมีจิต ที่จะประพฤติปฏิบัติอัดธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าภิกษุ ส, สา ม, มาเณรอุบาสกอุบาสิก า, กาพระพุทธเจ้ามอบหน้าที่ให้รักษาพระสัสนาเราจรึงควรตีติยินดีในชีวิตของเราที่ไม่ล่มหายตายไปได้มาทำสักการะบูชาในวันมาศบุญ น, นี้เส่นนี้แตนั้น ขอทุกท่านเมื่อได้สะดับรับฟังทำคำสั่งสอนเขี่ยอที่บายมาจงนำไปกำหนดที่นิสี่เจรนาลงมือปรเพื่อปฏิบัติตามต่อแต่นั้นก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเจียเวลาเรืบัง